นิทานบันเทิงธรรมเรื่องกระต่ายตื่น พระพุทธเจ้าของเราๆตามปกติแล้วกระต่าย แต่วันนั้นกระต่ายนอนๆสิ่งดินลมและ เป็นอะไรดีด้วยไฟก็จะเกิดไฟลุกไหม้ทั่วโลกถ้าเฮ้ยหากโลก แย่ละละอืมทำไงดีเมื่อคิดถึงอย่างนี้กระต่ายก็ เพื่อนกระต่ายๆๆๆๆแล้วเพื่อนวิ่งหนีอะไรมาน่ะฮะอย่าถามช้างวัวควาย หูรั่นราชสีห์เห็นกระต่ายวิ่งกันมาเป็นฝูงและ จึงร้องถามสาเหตุกระต่ายก็ตอบๆ เมื่อสรุปได้ดังนี้สรุปได้หากไม่เข้าไปช่วยเหลือก็จะพากันตายหมดจากนั้นก็คิดต่อ พอได้ยินเสียงร้องคำรามของราชสีห์ก็สะดุ้งตกใจหยุดคือ มาร์ย่าข้าไม่รู้นะเสือนั่นแหละรู้รู้ดีกว่าใครเลยอืม วุดๆๆพวกกายาเจ้าเห็นกระจ่ายวิ่งหนีหลังเพื่อนเค้าว่าเพื่อนเห็นก็ เอ่ออยู่ที่ดงตาลไงใกล้กับดงมะตูมอ่ะซึ่งอยู่ติด ไปดูที่ที่แผ่นดินถล่มจะได้รู้ความจริงกันดีมั้ยฮะอ่ะเอ่อขาไปปลายได้เปล่าว่าโอ้โอ้เป็น แต่ราชสีรีบพากระต่ายไปเถอะเราจะได้รู้ความจริงวิ่งมันนี่ก็เหนื่อย โอ้โหมยวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยนี่ก็เป็นเรื่องจริงจะทํายังไง กระต่ายแสดงท่าตกใจ ราชสีห์ก็สำรวจดูที่ที่กระต่ายนอน ราชสีเข้าใจได้ทันทีผิดเอา ว่ามาเลยมาเลยฮะว่างไงว่างอ่ะเฮ้ยเรื่องมันเป็นยังไงอ่ะเราไปดู อ๋อมันดูท่าเป็นอย่างนี้หนอจริงๆนะมันน่านักเอ้อจะไปไหน นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการฟัง